หน้าที่ของเรานั่นก็คือให้ดูรวมหายใจเข้าออกอย่าไปบังคับให้มันสั้นบังคับให้มันยาวปล่อยตามสบายไม่ให้กดดันมันให้มีความปล่อยวางอในในด้วยรวมหายใจเข้าออกเสมออย่างนี้การกระทํานี้ให้เข้าใจว่าการกระทําด้วยการปล่อยวางแต่มีความรู้สึกอยู่ ให้มีความรู้สึกอยู่ในการปล่อยวางลมหายใจเข้าออกสบายไม่กดดันปล่อยตามธรรมชาติสบายให้มันสบาย